กำหนดในใจของตัวเองไว้บางคนก็ว่าจะบวชแค่สามเดือนก็จะซศึกไปบางคนก็คิดว่าแล้วจะอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไปได้เท่าไหร่ก็อยู่ไป <c oughs> ความคิดต่างๆเหล่านี้นะมันไม่ใช่ทางสังแหงสมณะบรรพะชิตอย่าไปคิดอย่างนั้นให้ถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลัก <c oughs> เรามาบวชอยู่นี่เราสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว การงานเ ง, นงินทองเข้าของอันไดตอนใดที่แต่เป็นครหัส่านั้นสะสมไว้เราก็สละเสียแล้วถึงมาบวชได้เมื่อมาบวชเข้าไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพเจ้าพระเจ้าแนะนํำไว้ว่าอตาิตังนานวากรเมยยะ นับปีกังเขอนา迦 tang จาดาติตัมเปหินันตังอปัตันจะอนา迦 tang ปัจจุปนันจายธัมมังทัทธัทะวิปัสสติอัสังหิรังอัสังกุปังตังวิธามนุประยุหะเย ผู้มีปัญญาไม่ควรนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเพราะว่าสิ่งใดมันล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มีนั่นเอง ควรกำหนดรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะว่าชีวิตของคนเรานี่มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ผ่านมาแล้วอนาคตมันก็ยังไปไม่ถึง <c oughs> ไม่ทราบอารมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเมื่อใด เราก็รู้ไม่ได้เลยนี่เลยให้คิดให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะก็เพราะว่ามันเป็นอุบายสำหรับที่จะถอนตนออกไปจากโลกนี้ให้เข้าใจบุคคลที่จะถอนตัวออกจากโลกนี้ได้มันต้องมาควบคุมจิตใจตัวเองให้ ลงสู่ปัจจุบันให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ให้มันห่วงหน้าห่วงหลังไม่ให้มันยึดมันถือมันในอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วไม่ให้มันยึดมันในความคิดที่ยังไม่ได้ไม่ถึงผู้ใดฝึกหัดจิตใจ ให้รู้เท่าอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเลอไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความยินดียินร้ายต่างๆเช่นนี้นะนั่นและผู้นั้นก็จะกำลังที่จะหาทางหนีจากโลกนี้ <c oughs> เรื่องอะไรจะไปห่วงนักหนากับโลกอันนี้ในเมื่อโลกนี้นะ มันเป็นของไม่เที่ยงไว้อย่างยืนเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงวันไววมันจึงแปรปวนไปมาควรจะเบื่อหน่ายเช่นเงินทองหามาได้แล้วเอาใช้ไปจ่ายไปหมดไปทำนาได้ข้าวมาแล้วมาสีมาหนึง่งมาหง รับประทานไปก็หมดไปหมดไป <c oughs> อะไรต่ออะไรที่หามาแล้วก็บริโภคใช้สอยไปก็หมดไป <c oughs> บัด น, นี้มันไม่ใช่หมดแต่เงินทองเข้าของไอ้ชีวิตนี่ก็หมดไปหมดไปวันคืนล่วงไปล่วงไปมันไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนน่ะชีวิตนี่ก็ร่วงลอยไปเหมือนกัน เรีว่าใกล้ต่อความตายไปเรื่อยๆทางที่มันจะยืดยาวนานออกไปแล้วไม่มีพราะเกิดมาแล้วก็มีแต่เดินเข้าไปหาความตายนะพูดง่ายๆวันอี้เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆเลยปีแรกนี่อายุก็ยี่สิบต่อไปปีต่อไปก็ยี่สิบกว่าไปสามสิบไป เรีย ว, ว่าชีวิตมันก็เดินใกล้เข้าไปหาปากมัจจุราชเรื่อยไปถึงสี่สิบปีห้าสิบปีไปถึงห้าสิบปีไปแล้วเอาอะไรวะนี้อ่าสังขารร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงขีดเนี่ยมันสุดโทรงไปแล้วร <c oughs> ู้สึกตัวเป็นคนแก่ไปบ้างแล้ววะนี้นั่นนะ อันนั้นแหะมันยิ่งเป็นเครื่องสอนแสดงให้เห็นว่ากําลังชีวิตนี่กําลังเดินไปหาความตายใกล้เข้าไปหาความตายเข้าไปแล้วพอหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้วผู้ที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่ไว้แล้วอืลุกก็เอยนั่งก็โอยตาก็มัวหูก็อื้อหัวเข่าก็อ่อน อะไรต่ออะไรก็สุดโงมไปเรื่อยคนหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วสำหรับคนสมัยนี้นะถ้าผู้มีสุขภาพดีก็ยังพอได้อาศัยมันไปบ้างร่างกายอันนี้นะแต่ถึงอาศัยไปได้มันก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละจะให้มันมีกำลังแข็งแรงเหมือนอย่างอายุสามสิบสี่สิบปีอยู่น่นไม่มีทาง อะไรอะไรก็อ่อนเพียไปอ่อนแอไปหมดนั่นแหละตั้งแต่ว่ามันยังพออาศัยได้อยู่เท่านั้นเองถ้าแปดสิบเข้าไปแล้วกา็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของคนสมัยนี้นะนั่นนะแต่เมื่อสมัยที่เพื่อนมีอายุยืนนะ่ะอายุร้อยปีนี่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่เป็นสาวอยู่นั่นนะ สมัยที่เพื่อนอายุยืนหมื่นปีขึ้นไปอายุร้อยปีนี่ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันต่างกันไะนั่นเนี่ยแล้วเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้มีอายุสั้นน้อยเดียวหนึ่งนะว่ายัางมากก็ไม่เลยร้อยปีแต่ว่าถ้าไปถึงแปดสิบเก้าสิบเวลามันไม่มีความหมายอะไร ถ้าหากว่าอยู่ยครองเรือนก็ต้องอาศัยลูกหลานนั่นแหละอุปถัมภ์บำรุงประครบับประครบประงมไว้เหมือนกับเขาเลี้ยงลูกอ่อนนั่นแหละช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้รอแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองนั่นเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะ อายุน้อยเหลือเกินนะไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับกิเลสตัณหาถึงจะไปบริโภคกรร ม, มาคุณอย่างนี้มันก็บริโภคไปไม่ได้นานอะไรนะอ่สักหน่อยร่างกายนี่สุดโทลงไปแล้วก็จืดชืดไปหมดแล้วอ น, นี่ความยินดีในกรรมทั้งหลายกลับเบื่อขึ้นมาแล้ว เบื่อแล้วก็กลายเป็นทุกข์ไปแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปอำนวยความสุขให้ตลอดไปไม่มีเราควรที่จะมาถือเอาอายุอันมีประมาณน้อยนี้นะปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เสียให้เต็มก่อนสามารถเพื่อจะได้ชำระล้างกายวาจาใจของตอนนี่ให้มันสะอาดเข้าไปเรื่อยๆอย่าให้มันกิเลสบาปธรรมน้นะ่มันหุ้มห่อให้มัวหมองเอาหนาทึบเข้าไปอย่างนั้นเมื่อใจเศร้าหมองคุณว่าเท่าไรทุกมันก็ต้องมีเท่านั้นแหละทุ ก, ก็ติดตามไปเท่านั้น แม้จะไปเกิดในชาติใดก็เป็นคนเจ้าทุกข์คนปล่อยให้กิเลสตนาะบาปประทำพุ่มหอจิตใจอยู่จะไปเกิดที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ไม่จะจะไม่มีความสุขเลยดังที่เราเห็นกันอยู่คนบางคนนะเป็นคนขี้โกรธเช่นผู้ชาย ได้เมียมาแล้วก็เมียทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธด่ดาว่าบางทีก็ซ้อมเมียสะบักสะบอมไปหมด อ, มอย่างนี้แหละอา้าฝ่ายผู้หญิงก็เป็นคนใจดำเมื่อสามีทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ทราบก็เช่งก็ด่าว่าเสียดสีแสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆ ทีนี้ต่างคนตา่างมีกิเลสแล้วการทําอะไรจะให้มันถูกใจกันทุกอย่างมันไม่ได้เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกลียดความชังเอา้าบางทีก็เป็นทุกข์เพราะความรักความหวงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวฝ่ายเมียกกลัวจะผัวจะไปเล่นชู้จากเมียอา้าตอนนั้นก็เป็นทุกข์เพราะความรักแบบนี้นะ น, นั่นแหละอา่าเป็นทุกข์ก็ความรักแล้วพอเจอหน้ากันกับปัดท้วงกันเข้าไปอา่าทางโน้นก็โทษทางฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็โทษฝ่ายโน้นเข้าอาก็เลยทะเลาะวิวาดกันหาความสุขสบายไม่ได้เลยเนี่ยลักษณะของคนที่ปล่อยให้กิเลสป่าประธรรมครอบงําจิตใจให้หนาแน่นเข้าไปแล้วมีแต่ทุกข์ อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขเลยดังนั้นเนี่ยจะเป็นนักบวดก็ตามเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเมื่อต้องการความสุขอันแท้จริงแล้วนะมันทุกคนก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องน้อมเอาคำสอนของพระ เ, เจ้ามาประดับกายกายวาจาใจของตนให้ได้ํำสอนของพระองค์เนะ่ เมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตใจนี่เราเพ่งอยู่ในใจเนี่ยพระธรรมนั้นจะกาจัดกิเลสนั้นออกไปจากใจเช่นเราเพ่งสันตุถีอย่างนี้นะสันโดษอย่างนี้นะเอ้คนเรานี่มันคนจะมีสันโดษยินดีตามีตามได้จึงจะมีความสบายใจถ้าหากว่าบุคคลไม่สันโดษยินดีตามีตามได้นี่ มันจะต้องได้ไปทำความชั่วแน่นอนเช่นตนหาเงินมาได้พันหนึ่งอย่างนี้เงินพันหนึ่งนี่พอใช้อะไรเมื่อเมื่อไปหาเอาโดยลำพังตัวเองมันไม่ได้ทันใจกั่นี้อวางแผนไปจี้เอาของเขาเอนเนินเขาไปฉุดเอาทรัพย์สินของเขาเอาไปเที่ยวขายเข้าโรงจำนำ เพื่อจะได้มาเพิ่มเติมจากพันหนึ่งนั้นให้เป็นสองพันสามพันไปแล้วคันตำรวจจับได้ก็ไปติดตารางทนทุกข์ทรมานอย่างนี้แหละความโลภนะมันก็ก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้ถ้าบุคคลมาเพ่งพิรณาดูโทษแห่งความโลภมอพิรณาเห็นคุณแห่งความสันโดษยินดีตามมีตามได้เข้าไปอย่างนี้ จิตใจมันก็ลงเอ่ยเอาว่าเราจะต้องถือสันโดษยินดีตามมีตามได้เราหามาได้เท่าไร่เราจะบริโภคใช้สอยเท่านั้นจะได้น้อยก็าตามจะได้มากก็าตามเราก็จะยินดีบริโภคบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละเราจะไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติของใครมาเป็นของตนตนได้เมียมาเมียก็ไม่ค่อยสวยงาม ก็ตามยินดีในเมียของตัวเองนั่นแหลอะอถ้าเห็นว่าขี้ไร่ไปไปสู่ขอเข้ามาทําไมล่ะนั่นก็ต้องถามตัวเองแหละก่อนที่จะแต่งงานก็เีันว่าต้องเพ่งพิสูจน์ซึ่งกันและกันเป็นที่พอใจต่อกันแล้วเต็มที่ไม่ใช่เหรออ่ก็จึงยินยอมร่วมหอลงโลงกันเดีย๋ยนี่ก็ต้องสอนตัวเองถามตัวเอง เข้าไปเลยเมือม่อเมื่อตนสอนตนเข้าไปนี่มันก็คง ย, ยอมรับแหละทีนี้นะยิง่งทีแรกก็รักให้กันอย่างร้อยเปอร์เซนนั่นแหละมันถึงยอมแต่งงานกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องรักษาความสัตย์อ น, นันต์ไว้มันถึงจะมีความสุขต่อกันและกันไปได้ถ้าไปทำลายความสัตย์นั้นเสียเมื่อเกิด ความกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยก็ไม่ยอมให้อภัยกันวันนี้แต่ก่อนนั้นเห็นว่าสวยงามคราวนี้โกรธกันแล้วก็เออคี้ร่ายแล้วเบื่อแล้ววันนี้ไปเที่ยวหาหญิงอื่นต่อไปถ้าผู้ชายก็ดีถ้าผู้หญิงก็ไปเที่ยวหาชายอื่นนี่พูดถึงความโลภอันนี้นะโลภในกรมมันก็เป็นทุกข์บ้านแตกสาหร่ขาดอย่างนั้นเนี่ย Mm. ถ้าผู้ใดรักษาความสัตย์ได้ mm. มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อกันจริงๆสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์กด้วยกัน mm. อย่างนี้แล้วมันก็ยังพอมีความสุขอยู่ได้การคลองเรือนก็ดี mm. เราไม่โกรธกันเราไม่เกลียดกัน mm. เรามีเมตตาต่อกัน mm. ชักจูงการทำความดีสร้างบุญบรารมีไป เพราะเรายังหนีจากกิเลสนี้ไม่ได้ก็จาเป็นต้องอยู่ครองเรือนเมื่ออยู่วงเรือนแล้วก็ต้องหาทางสั่งสมบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่อบุญบา ร, รมีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันตีบมันหักแก้พ้นจากความผูกพันเหล่านี้ไปด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีนั่นแหละมันโดนบันดาลให้เกิดนิพพิทาโคมเบอน์นายขึ้นมา เหมืออย่างผู้หนีจากบ้านเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ก็แสดงว่าบุญกุศลนั่นมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันจึงโดนบันดาลให้เห็นโทษในการอยู่คลองเลือนแล้วก็จึงหนีเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาอันนี้มันเป็นไปเองคือเป็นไปตามอํานาจแห่งความดีที่บุคคลกระทํา เพราะฉะนั้นแหละจึงสรุปใจความได้ว่าทุกคนอย่าไปเกียร์คร้านทําความดีถ้าคนใดเกียร์คร้านทําความดีแล้วก็จะตกเป็นทาสของตันหาอยู่อย่างนี้แหละล้าไปตันหามันก็ก่อทุกข์ให้อยู่เรื่อยไปดังที้แจงเหตุผลมานั่นแหละอตันหานี่เมื่อบรรลุแรงพอแล้วก็ ถึงกับฆ่ากันตายไปได้แต่ก่อนรักกันสุดหัวใจเมื่อตัณหาความโลภความโกรธความหลงอะไรครอบงาให้หนานแน่นเข้าไปแล้วหรือเกลียดกันชังกันถึงกับฆ่ากันตายไปได้ก็มีนี่โทษของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีความสุขความสงบอะไรเลยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ปล่อยให้กิเลสตัณหามันเผาร้นให้เป็นทุกข์เปือดร้อนอย่างนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไปทุกข์ไปเดือดร้อนอยู่ในโลกหน้านั่นแหละเพราะจิตดวงเดียวนี้กิเลสตัวเดียวนี้จะตามไปเผารนเอาอ่ะไม่ใช่กิเลสแทงอื่นมันมาสมทบไม่มีกิเลสที่ตนสร้างขึ้นในชีวิตอันเป็นมนุษย์นี่แหละมันจะติดสอยห้อยตามไป ไปก่อทุกข์ให้ในภพในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้เมื่อผู้ใดได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมาแล้วนะอย่าไปเลี้ยงมันไว้อย่าไปเลี้ยงกิเลสไว้ไปยามละมันไปเรื่อยๆนั่นแหละละความโลกแล้วก็มาถือสันตุถีตามีตามได้ดังอธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละ เมื่อเราละความโกรธออกไปอย่างเนี้ก็ต้องเจริญเมตตากรุณาให้หมันมากให้ใจของเรานี่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคือหมายความว่าเรานั่นนะปรารถนาอยากให้ตัวเองและผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ต้องการอยางให้ใครเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันแม้เราก็อยา่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ขอให้สัตว์บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราก็พยายามนึกคิดอย่างนเนี้ยเลยไปเนี่ยท่านเรียวกว่าเจริญเมตตานะให้ฟังกันเข้าใจเมื่อเรานึกคิดอย่างนี้บ่อยๆเข้ามากเข้าไปเท่าไหรเมตตาธรรมนี่มันก็เ ก, กล้าขึ้นไปในจิตใจของเราบัดนี้ความโกรธมันก็อ่อนกําลังลงเพราะว่าเราไม่ส่งเสริมมันนี่ เราไม่ส่งเสริมความเกลียดความชังเรามาส่งเสริมความรักความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกันรักกันด้วยอํานาจแห่งเมตตาจิตปรารถนาที่จะให้เป็นสุขโดยทั่วหน้าไม่ใช่รักด้วยอํานาจแห่งราคะตัณหาอรักอยากจะ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้อยู่เย็นเป็นสุขเท่านั้นแต่การช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลืออยู่ในกรอบแห่งศีลเองทำไม่ให้ล่วงศีลล่วงทำไปนี่เมื่อบุคคลมาเจริญเมตตากรุณายานี้ทุกวันทุกคืนไปเลยนี่ความโกรธนี่มันจะห่างไกลห่างไปแล้ววะนี้นะ เออมันจะไม่มาสูงสิงอยู่ในจิตใจดังนั้นให้พากันเจริญเมตตาเสมอเสมอถ้าจิตใจมันมงุเกลีมันจะน้องไปในทางความโกรธเอ้าส ก, กัดมันไว้เออนึกถึงเมตตาแทนนั่นเอยธรรมดาความโกรธเมื่อมันสูญเสียวขึ้นมาแล้วมันก็คิดแต่จะไปฆ่านั่นแหละอือหรือไปนั่นไป ไปทำลายทรัพย์สินสมบัติของคนที่ตนโกรธนั่นเ<ม>ดียว่าเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมีี่จะไปก่อความวินาศที่หายหแกผู้เป็นศัตรูนั่นแหละมันเป็นยังไงนดี๋ยวนี้ถ้าหาว่าเราจเจริญเมตตาเข้าไปเขา ก, ก็กลัวตายเหมือนกับเราเรากลัวตายสันใดเขาก็กลัวตายอย่างนั้นเรารักชีวิตของเราอย่างไรเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนีส้สมควรแล้วหรือที่จะไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อน เ, ออเมื่อนึกเขามาเทียบเรานึกเราไปเทียยวกาเขาเข้าไปมันก็เห็นอกเห็นใจกันเลยบันนี้นะแต่ไม่ได้โกรธกันมาแต่ก่อนก็ให้อาภาัยกันไป อ, อ, อย่างนั้นแหละหาทางญาติ ด, ดีกันไปร่วมถูกร่วมทุกข์กันไปสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ทาความดียิ่งยิ่งขึ้นไป เช่นอย่างเราสนับสนุนกันมาไหว้พระมาภาวนามาฟังธรรมกันอยู่ในศาลาการประเรียนอย่างนี้แหละ เ, เราไม่โกรธกันเราไม่อิจฉาหรือสยสกันเช่นนี้แล้วต่างคนต่างก็มีความเย็นใจสบายใจไม่ใช่เหรือแต่ถ้าว่าใครมันโกรธกันผูกโกรธกันไว้อยู่เนี่ยถึงมา น, นั่งอยู่ที่นี้ก็ไม่มีความสุข ม, มันจะต้องเพ่งกันไปในทางที่ไม่ดีอยู่งั้นแหละเพราะนั้นทุกคนนะ่ะตกเป็น ท, ทาสของกิเลสตัณหาเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะอำนาจของกิเลสเหล่านี้มาม า, มากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นควรพากันตื่นตัวต่อ น, นี้ไปอย่าไปยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหา อย่าไปยอมเป็นธาตุแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเหล่านี้พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วเรากำลังทำกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าขอให้ทำให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆ น, นัเมื่อเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางถูกแล้ว เดินทางดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปคือสันติสุขนั่นเดินทางนี้ไปต้องได้พบกับสันติสุขแน่นอนอย่างนี้เมื่อเรารู้นี่แล้วก็เดินไม่ถอยที่นั่นนะก็ต้องพยายามเดินไม่ถอยคําว่าพยายามเดินไม่ถอกก็คือพยายามมีสติสมบัติเนี่ยสํารวมระวังกายวาจาใจทั้งตน ไม่ให้ล่วงเกินข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ล่วงไม่ละเลยเช่นอย่างภาวนาเนี่ยถ้าบุคคลอาศัยความเกียจคร้านเป็นเรือนนอนแล้วค่ะแน่นอนแหละพ้าดใดมันก็นั่งภาวนาข้าวใดเกียจคร้านแล้วก็ไม่หละมีแต่นอนกับนอนอนี่เรียกว่าประมาท ประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าบันนี้เมื่อถอยความเพียนอย่างนั้นน่ะกิเลสมันก็ลุกขึ้นสิบันนี้นั่นแหละครอบงามจิตอีกอา้าวพอเป็นทุกเดือนร้อนมาเพียรพาเพียนไม่ยามกมจาจัดกิเลสกันกวว่ากิเลสนั่นมันจะอ่อนกำลังลงตนก็แทบแย่บางทีก็สู้มันไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติให้ต่อเนื่อง กันมาโดยลำดับต่อเนื่องกันไปต่อไปโดยลำดับอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่ได้ช่องอย่างเช่นเราถือสันตุธีตามมีตามได้อย่างนี้อย่างเราเป็นนักบวชอย่างนี้แหละเราก็มาถือสันุธีตามมีตามได้เที่ยวขิขาจานบินธบบาทไปใครใส่ให้ไรเราก็ยินดีเอามาบริโภคหบฉันเท่านั้นแหละ เราไม่ได้นึกว่าอไอ้พวกนี้มันให้อาหารเร็วๆแกเราอาหารดีๆมันไม่ให้ไม่นึกถ้าไปนึกอย่างนั้นแล้วก็เสียสันโดษไม่นึกมีสติคุมจิตไว้ให้ทำความยินในในอาหารที่เขาใส่บาตรให้นั่นแหละ <c oughs> มาถึงแล้วก็พิจารณาขบฉันกันไปเราชันอาหารนี่ ก็เพื่อที่จะให้ประทางชีวิตเป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์หมายความว่าเพื่อให้เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปได้โดยสะดวกสบายเท่านั้นเราไม่ได้ฉันอาหารเพื่ออร็ิตร่อยเพื่ออ้วนเพรียดงามเพื่อความสวยงามอะไรหมูนี้เราไม่อย่าไปนึกอย่างนั้นการขบฉันอาหาร หรือการรับประทานอาหารจะเป็นคฤรื้หัดก็ตามเลยก็ต้องมีความคิดความดำรีเหมือนกันทั้งนั้นแหละถ้าเป็นคฤื้หัดหากไปโลภในอาหารแล้วเช่นนี้นะมันก็ยิ่งหาเงินฮาทองมาได้เท่าไรก็ไม่มีนั่งจะได้ไปฝากธนาคารนะไปซื้อแต่อาหารดีๆมากินกันเงินทองไม่มีจะได้เก็บไว้เวลาเกิด ภัยพิบัติอะไรขึ้นมาไม่มีเงินจะใช้จ่ายก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วเนี่นยแหละไปมัวแต่ซื้ออาหารแต่ดีๆมากินกันตัวมีเงินน้อยเดียวอ่ะแต่ถ้าตัวรู้ประมาณตอนตอ่ะตนมีเงินเพียงเล็กน้อยอย่างนี้ก็แบ่งซื้ออาหารมากินพอประทางชีวิตก้าวแล้วตัวมีเงินน้อยกับซื้ออาหารที่อย่าให้ราคาแพงเกินไปเท่านั้นแหละมารับประทานกัน ไปอย่างนี้มันก็มันก็อยู่ได้เหมือนกันนะตั้งแต่วัวควายมันกินแต่หญ้ามันก็ยังใหญ่มันก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้นะคนเราไดี่มีข้าวกินไปนี้แล้วมันจะตายยังไงวะแต่มันโลภในกับที่มนุษย์เราอ่ะอยากจะได้แต่อาหารอันดีๆนนมากินกันเพราะนั้นมันถึงเป็นทุกข์เนี่ยทั้งกระเรือหัดทั้งนักบวชผู้ใด ไม่ต้องการความทุกข์เดือดร้อนเพราะการอยู่การกินเพราะสมบัติเข้าของเงินทองโมเดลเรต้องถือสันตุสีธรรมีตามได้ฝึ ก, กจิตใจมันเป็นไปในทางสันตุสีธรรมให้ได้ <c oughs> เมื่อผูใ้ใดถือสันตุธีธรรมได้ถ้าเป็นครือหัดมันก็เก็บหอมรอมริบเงินทองสะสมเงินทองไม่ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแหละ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเมื่อสะสมเงินทองมากขึ้นเป็นก้อนขึ้นไปได้แล้วฝากธนาคารไว้ก็เก็บดอกเบี้ยมาใช้กว่า น, นี้ก็สบายไปออจะเป็นถุกข์ก็เพราะเอาทุกขเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมออจะเป็นพระก็ต้องละกา ม, มารมจะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌาน พาสิข้อนี้นะจำเอาไว้ทุกคนท่องเอาไว้ <c oughs> มันเป็นความจริงเหลือเกินเลยอันถ้าผูใ้ใดไม่ถือสันุธีก็อย่างว่านั่นแหละมีร้อยจ่ายทั้งร้อยอย่างนี้นะเมื่อก็ทุกในภายหลังเลยถ้าได้มาร้อยหนึ่งแล้วจ่ายไปซะสักแปดสิบยี่ส 80, 20, 1, ิบหนึ่งข้อยได้ไปฝากธนาคารก็ยังดีนะ นั่นแหละถ้าหากว่าได้มาร้อยหนึ่งแล้วไปฝากธนาคารซะห้าสิบจ่ายใช้จ่ายซะห้าสิบนี่ดีมากสวยงามทีเดียวอะอนั่นแหละเรื่องอย่างนี้นะจะไปเข้าใจเป็นเรื่องซ้ตื่นนะคนมองไม่ก็เห็นนะอะถ้าไม่ค้นขึ้นมาไม่คุยขึ้นมาสู่กันฟังอนะเช่นผอมบางภูเขาอะอะมองไม่เห็นหรอกถ้ามองเห็นมันจะเป็นคนจนยังไงคนเราอะ ได้เงินได้ทองมาแล้วมันก็รู้จักเก็บพร้อมลอมริบรู้จักกวามาในการใช้การจ่ายก็ให้มีได้ฝากธนาคารไวในอย่างนี้มันมันก็ไม่จนแลยคนผู้นั้นนะบางคนเขาก็ทำอย่างนี้เขาก็ไม่จนนี่นั่นแหละที่พูดไวในที่นี้ก็เพื่อต้องการอยากจะให้คนทั่วๆไปนั่นแหละได้สำนึกรู้ถึกตัวบ้าง อย่าไปยอมตนเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวกิเลสตาหาเรานี่มันก่อทุกข์ให้แกตนมานับชาติไม่ทวนแล้วบางทีมันก็อาจจะสัดลงนรกนั่นก็ได้บางชาตินะแต่ว่าตนเกิดมาชาตินี้วิชาตัณหามันหุ้มห่อจิตใจมากมันนึกไม่ได้มันนึกถึงว่าทาสนั่นตนได้ไปตกนรก อย่างนี้มันมันรู้ไว้ได้เลยเพราะว่าจิตมันมืดมนอยู่ด้วยอวิชชาตันหาแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อเพราะปัญญาตรัสรุของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทําชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ละตายแล้วต้องไปตกนรกอย่างนี้นะอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวแล้วพระพุทธเจ้าถ้าพระ อ, องค์ไม่รู้จริงเนะ่ยพระ อ, องค์ไม่มายืนยันแหละ พระพ่อองค์เป็นศาสดาเอกในโลกพระองค์จะไปโกหกคนยังไงได้นั่นนะให้พากันเชื่อพระปัญญาตัตรูของพระเจ้าอย่างนี้มันยังจะถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ออตามคําสอนของพระติเจ้าได้เชื่อว่าความโกรธนี่แหละหายคนเราทําบาปตายแล้วระส่งนรก คุณธรรมที่ขจัดความโกรธก็คือเมตตากรุณาเรามาเจริญเมตตากรุณาให้มันมากขึ้นไปโดนำลาบอย่างนี้แล้วมันก็ทำลายความโกรธนั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นี่พอจะมองเห็นช่องทางพ้นทุกข์ได้แล้วไม่ใช่เหรือเมื่อได้อธิบายมาถึงตอนนี้ถ้าใครยังมองไม่เห็นแล้วก็ น, ว, นว่าหนาไปด้วยกิเลสเต็มทีล่ะพูนั้นนะอ้าวทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ฉล า, าดทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อ้าวก็มาเจริญภาวนาเลยทำอย่างไรเจริญภาวนาพูดง่ายๆว่าฝึกสติตรมสัญญานี่ให้มันก่กล้า พยายามประคับประคองกายวาจาใจนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในศิลนในธรรมอย่าให้มันเสื่อมจากศิลจากธรรมพยายามฝึกสติสัมปชัญญนี่โน้มเข้าไปสู่จิตใจนน์เสมอเสมอไม่ใช่ระลึกอยู่แต่ภายนอกแล้วไม่ระลึกเข้าไปดูกายดูใจตัวเองสักหน่อยเดียว สติแบบนั้นเขาเรียกว่าสติเลื่อนลอยไม่เป็นทางกำจัดกิเลสตัณหาได้สติระลึกไปหาตั้งแต่การแต่งงานบางทีมันก็สติกระลึกไป ใ, ในทางบาปอกุศลเ้าหนองนั้นมีปลาหรือเปล่าเนาป่านี่มีเนื้อหรือไม่ อ, อย่างนี้แหละแม่น้าตรงนี้มีปลาอุดมหรือไม่เนอ ทำอย่างไรเราถึงจะได้ปลาได้เนื้อนั่นมาปรุงอาหารกินกันนะไอความสติระลึกไปอย่างนี้นะท่านนี่ ว, ว่าสติบาปไม่ใช่สติบุญอันสติบุญนั่นน่ะทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกได้ทำอย่างไรหนอเมื่อตายไปแล้วเราจึงจะไม่ไปตกรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกาย ไม่ไปไม่ไม่ไปเกิดในกำเนิดสัตย์เดานทำอย่างไรเมื่อเกิดเป็นคนเราจึงจะเป็นผู้เป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่วิบัติขัดข้องอะไรระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นสติบุญนนี้นะสติกูสนัน <c oughs> เป็นผู้ระลึกโดยความฉลาดหมายความว่าอย่างนั้น ก็เมื่อมาดำลีว่าทำอย่างไรหนอเราจริงๆพ้นจากทุกข์ไปได้อย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางคำนี้นะเช่นอย่างผู้ผู้คลองเรือนอย่างนี้พอร ะ, ะลึกเข้ามาถึงตัวอย่างนี้ก็จะนึกไดเอ้าวเราจะมีความสุขได้ก็ต้องทำงานเพราะชีวิตนี้มันเนึ่องอยู่ด้วยปัจจัยสีนี่เนึ่องอยู่ด้วยอาหาร เนื่องอยู่ด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มเนื่องอยู่ด้วยที่อยู่ที่อาศัยเนื่องอยู่ด้วยยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บอ่าชีวิตนี่เนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสีน่นี่จึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าขาดปัจจัยสี่นี่อย่างใดอย่างหนึ่งเสียแล้วเป็นอยู่ไปไม่ได้เลยอเอาถ้าไม่มีบ้านอยู่แล้วลองดูที่คนเราอ่ะจะไปนอนอยู่กลางแก้งได้เหรือ นอนได้เหรอกเวลาฝนไม่ตกเวลาแดดไม่ออกคนแดดออกมาเราแดดเผาเราจะไปอยู่กลางแจ้งได้เหรื อ, อเวลาฝนตกหนักมาเนี่ยจะไปนอนแช่น้ําอยู่ได้เหรอไม่มีทางนั่ น, นแหละเพียงแต่ยกมาให้ฟังว่าปัจจัยคือเรือนบ้านเรือนจะเป็นที่อยู่อาศัยเท่านี้นะมันก็เป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตจริงๆแล้ว ที่นี้เมื่อบุคคลไม่มีเงินน่ะจะไปสร้างบ้านอยู่ได้หรือไม่ได้ทำไมไม่มีเงินบัดนี้ไม่มีเงินก็เพราะว่าไม่เสวงหาทำไมไม่เสวงหาแล้วก็เพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นช่องทางที่จะได้เงินมาทำไมไม่มีปัญญาน่ะเพราะตนไม่ไม่ได้ประกอบ ประกอบอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาหนึ่งยินดีในการฟังสองยินดีในการเรียนการท่องการจาเอาวิชาความรู้ต่างๆทัๆ้งทางโลกและทางธรรมสามน้อมเอาความรู้นั้นเข้าไปคิดไปวิจารให้รู้ให้เข้าใจความหมายวิชาความรู้แต่และอย่างละอย่างหมายความว่ารู้ความหมายในทางปฏิบัติ โอความรู้ประเภทนี้แนะนำให้เราทำความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะความรู้ประเภทนี้แนะนำให้เราละความชั่วอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องละความชั่วเหล่านั้นไม่ต้องสาดถมมันเราต้องทำความดีอย่างนี้มันจึงจะพอดีพอเหมาะกับฐานะของเราเพราะเรามีสติปัญญาเพียงเท่านี้เรามีกำลังกายเพียงเท่านี้ เราก็ทําการงานอย่างนี้แหละพอเหมาะพอดีอย่างนี้เนี่ยพอคิดวิจารณ์พิจารณาเห็นหน้าที่การงานที่จะต้องทํานั้นโดยแจมแจ้งแล้วอย่างนี้นก็ลงมือทําไปนั่นเมื่อลงมือทําไปถูกช่องถูกทางมันก็ได้วัสดุต่างๆเรามาจับจา่ายขายก็ได้เงินได้ทอง เป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมานี่การที่บุคคลเราจะมีปัญญาจะหาเงินได้ต้องอาศัยการเรียนการคิดเมื่อคิดเห็นแล้วส่งลงมือทําำเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่รู้จักหน้าที่การงานนั้นก็เพราะมันไม่ได้ยินได้ฟังความรู้จากผู้อื่นเลยแล้วไม่น้อมเอาหลักวิชาต่างๆเข้าไปคิดไปกรอง เลยมองไม่เห็นลู่ไม่เห็นทางที่จะทำความดีได้มองไม่เห็นลู่เห็นทางที่จะหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวได้นี่มูลเหตุที่คนเราจะอับจนจะเป็นคนด้อยทรัพย์อับปัญญาก็เพราะเหตุผลดังกล่าวานี้สรุปลงแล้วจึงว่ามันอยู่ที่คนเรานั้น จะมีปัญญาได้อยู่ที่การหมั่น เ, นเรียนมันฟังมันถามข้อข้องใจต่างจากท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ทําตนเป็นขนแข็งกระด้างมเมื่อผู้ใดแสดงอาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รู้หลักนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นเข้าท่านก็เอ็นดู ถ่านมีความรู้อะไรท่านก็อยากจะสงเคราะห์ท่านมองเห็นลู่ทางนันใดที่ผู้เข้าไปหาจะพึ่งได้เงินได้ทองหรือจะพึ่งทำความดีต่อไปได้ท่านก็แนะนำพัฒน์สอนไปเหมือนอย่างพุทธศาสนิ ก, กชนระคั่งพระเทเจ้านั่นแหละเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ เวรุวันการันธการวิปัสถานาา อ, อ, อันเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าวิมีสารซึ่งพระองค์ยกถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็สงสาพวกของพระองค์เมื่อคนทั้งหลายได้ทราบอย่างนั้นก็พากันขนขวายทายาทานต่างๆใส่ล่อใส่เวียนเดินทางไป พ่าพระพุทธเจ้าไปทำปรุงอาหารในถวายพระพเจ้าและพระสงฆ์แล้วฟังทำลงมือปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนบางคนบางพวกก็ได้บรรลุมรรคผลกลับเมื่อไปบ้านเจ้าของก็มีอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราจะมีสติปัญญาจะพาตนให้พ้นจากทุกข์ได้ อันนี้มันขึ้นอยู่กับการสดับตรับฟังนี่โดยแท้จริงนะฟังแล้วยังไม่แล้วเอาไปคิดอีกนี่นะน้อมเอาคำสอนที่ตนจำได้นั่นเข้าไปคิดไปวิจารณ์เมื่อเห็นลู่เห็นทางที่จะต้องกระทาแล้วก็ลงมือก็ทาตามเลยแบบนี้นะอันนี้สาคัญมากจึงอยากจะขอพูดแล้วพูดอีกกัเพื่อเตือนใจของผู้ฟัง ให้ใส่ใจว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญเราต้องใส่ใจว่าเป็นพิเศษต้องบำเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นให้ได้ <c oughs> ข้อวัดปฏิบัติต่างๆในพระพุทธศาสนานี่นะเมื่อเราเอาไปวิจารณ์ดูด้วยปัญญาแล้วนะจะเห็นได้ว่ารวนแต่เป็นเครื่องตัดทอนกิเลสความชั่วร้ายทั้งหลาย ให้เบาบางออกไปจากกิจใจนี้ทั้งนั้นเลยแหละพอให้พากันเข้าใจแต่ถ้าจะเอามาวิจารณ์ถูกกันฟังในที่นี้มันก็เวลามากเกินไปเพราะนั่นค่อยอวิจารณ์ถูกกันฟังไปวันละเล็กวันละน้อยไปเนะยแนวทางกันไป <c oughs> เป็นนักบวชอย่างนี้นะก็ต้อง นึกถึงตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นนักบวชเราเราประพฤติตนเป็นคนผู้เดียวงี้เราหนีจากบ้านจากเลือนจากพ่อแม่วงสาคนาญาตมาแล้วมาเข้ามาเราตัวคนเดียวเมื่อร่างกายทำร่างกายให้เป็นหนึ่งลงได้แล้วบันนี้ก็มาทำใจให้เป็นหนึ่งเหมือนกับร่างกายนั้น ก็จึงเรียกว่าเป็นโทษหรือว่าเป็นนักบวชก็ว่านักบวชนั้นหมายถึงบคุคคลผู้หาหนทางเว้นจากความชั่วแล้วประกอบความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนจึงในนามว่านักบวชนิหมายความว่านักบวชนี่แสวงหา ท, ทางบุญทางกุศลทางบาปไม่เอาพูดง่ายๆ นี่แหละชีวิตของนักบวชนะแต่คเริงหัดนั้นไม่แน่การครองเรือนอนะ่ะหาเงินหาทองไปบางทีมันก็ไปเจอบาปเข้าให้มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็ทำบาปไปก็มีเพราะว่าหน้าที่การงานของเคริงหัดนี่มันเอาแน่ไม่ได้เลยแต่หน้าที่การงานของนักบวชของนักบวชนี่แน่เอาแน่ได้เพราะว่า เราชีวิตของเรามันเนื่องด้วยผู้อื่นเราไม่ได้ขวนขวายทำมาหาเรี่ยงขีพอะไรเนย้อเราเพียงแต่พิกขาจา์มาเรี่ยงขีพดังกล่าวมาแล้วเท่านั้นเ้วปัจจัยสี่ต่างๆหมนีก็มีผู้ศรัทธาบริจาคถวายสร้างถวายทำถวายดังนั้นเราจึงมีโอกาส สเสวงบุญสั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่และมีอุนทางละเว้นจากบาปกรรมต่างๆได้นี่นะความดีของนักบวชน่ะให้พากันเข้าใจอันขรึมอันนี้มันต้องบาปบ้างบุญบ้างไปอย่างนั้นแหละผู้ที่อินทรียังอ่อนน่ะมันจะเว้นไม่ได้เว้นแต่ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนั่นเขาเว้นได้จริงๆอันนั้นน่ะ ถึงอย่าเป็นกระหัดคลองเรือนเขาก็เว้นได้เบ่งันนี่แหละผู้ใดรู้จักความหมายแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจกยกย่องสรรเสริญว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิยานิกรรทำนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกภัยในวัตรสสงสารไปได้จริงๆ จะไม่ได้ยังไงแล้าเรามาภาวนาโน้มสติเข้าไปเพ่งดูกายดูใจนี่เข้าไปแล้วมันก็เห็นร่างกายนี่ก็รู้ว่านเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมโทรมปริบัดแปพวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นถึงเรายังไม่ตายแต่คนอื่นเขาก็ตายให้เห็นมาแล้วก็ควรนึกถึงคนที่เขาตายมาเป็นอารมณ์ดูบ้างว่าเรา เราจะต้องตายเหมือนกับคนเหล่านั้นหรือไม่แน่นอนเราก็ตายเหมือนกันแต่เวลานี้บุญยังไม่หมดก็ยังไม่ตายก่อนถ้าบุญหมดลงมาได้เราก็ตายเหมือนกับคนเหล่านั้นแหละอย่างนี้อเมื่อช่างวิตกช่างวิจารณไปในทางศีลธรรมแล้วมันก็มองเห็นที่ว่านี้นะ อ, นอก็เมื่อมันตายเป็นอย่างนี้จะไปทําบาปมันทําไมน่ ใช้กายวาจาทำบาปแต่ผู้เสวยผลของบาปคือใจผู้ไปตกนรกก็คือใจดวงนี้ร่างกายนี่มันก็ถูกไฟเผาก็เป็นเท่าเป็นทานเหลือแต่กระดูกกองอยู่พื้นแผ่นดินนี่เท่านั้นเองแต่ดวงจิดนี่ที่บาปกรรมมันไปสร้างรูปร่างให้ใหม่แล้วมันก็หนฉุดข้าลงไปสู่นรกนู่นอย่างนั้น คนมีปัญญาเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงไม่ทําบาปนั่นแหละพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้เว้นบาปจึงไม่เอากายอาวาจารี่ไปทําบาปไปพูดสิ่งที่เว้นบาปเพราะว่ากายวาจามันไม่ได้ส่วยผลของบาปแทนใจเพราะว่าใจเป็นผู้สั่งกายทําสั่งวาจาพูดดังนั้นใจจึงต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วออ ที่ตนสั่งกายวาจาทำนั้น <c oughs> เหมือนอย่างคนเรานี่นะเราเอาข้าวไปหวานลงในานาปลูกลงในานางี่นะนั่นแหละเมื่อได้เข้ามาแล้วอย่างนี้ก็เอามารับประทานกันนั่นแหละเขามาเอามาบำรุงร่างกายนี่แหละในร่างกายนี้เป็นอยู่ไปได้อันนี้เรา ทำคุณสคุณงามความดีลงไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีมันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้บุญกุณสนนั้นมาบำรุงใจแบบนี้นะให้ใจของเราเป็นสุขสงบเยือเกเย็นมีสติปัญญาเนี่ยมันทรัพยภายนอกกับทรัพยภายในมันมันใช้ไป็คนละอย่างกันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจแต่คนส่วนมากนั้นไปสะสมแต่ทรัพย์ภายนอก เอามาแต่เลี้ยงแต่อัฐภาพร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงนี้แล้วไม่แสวงหาสิ่งที่ดีๆมาบำรุงจิตใจมันบกคล่องอยู่ตรงนี้คนเราเนะี่ยไอสำหรับผู้ที่รู้ตัวแล้วก็กขอยกย่องสรรเสริญไว้ในที่นี้ด้วยเช่นอย่ญญญางผู้ที่สละกิจบัานการเลื่อนเข้ามาวัดวาดูแรวัดว า, าศาสนา ทำกิจใน菩าสนานี้บำบังหลวงพระพิษุสามเณรด้วยพระใจสี่ตามกําลังความสามารถอันนี้แสดงว่าเป็นผู้ใช้กายวาจาใจของตนให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจึงน่ายกย่องสรรเสริญผู้นี้ผู้เช่นนี้แหละจะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลแต่ผู้ที่ใช้กายวาจาไปหาแต่เงินแต่ทอง เท่าของอันสวยๆงามๆ ม, มาบริโภคใช้สอยมานุ่ง ม, มาหม่มสร้างแต่บ้านหลังใหญ่โ ต, โตมีเฟอร์นิเจอร์สวยสดกดกามอะไรพวกนั้นอยู่อาศัยแต่ว่าบุญกุศลไม่ทำไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็โกลยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวเช่นนี้นะ่ะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดทาง ดำเนินแห่งชีวิตของตนในอนาคตมุ่งหวังสบถุสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่มุ่งหวังอยากจะมีความสุขในการต่อไปเบื้องหน้าเพราะว่าเงินทองก็ขอ ง, ของที่บุคคลใช้จ่ายมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่มันก็ให้ความสุขสบายแต่ร่างกายปัจจุบันนี้เท่านั้นเองอเมื่อร่างกายแตกทําลายลงไปแล้ว เงินทองที่ใช้ใจ่ายไปหมูนั้นมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือจิตใจอันนี้ให้ไปสู่ความสุขความเจริญในโลกหน้าได้เลยไม่มีทางนั่นนะอา้าวเงินทองเนี่ยทำยังไงมันถึงจะช่วยชีวิตอันนี้ให้ไปสู่ความสุขในโลกหน้าได้อา้าวเงินทองที่เราได้ใช้ใจ่าย ทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ตนบ้างแก่ส่วนรวมบ้างแก่คนหมู่มากบ้างเงินทองที่ใช้จ่ายไปอย่างนั้นแหละมันก่อให้เกิดบุญกุศลมันจะนําดวงิวิญญาณให้ไปสู่ความสุขความเจริญในโลกหน้าต่อไปถ้าเงินทองใช้จ่ายอะไรไปแล้วเป็นประโยชน์แต่ตนอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างงี้ มันไม่สามารถที่จะอำนวยความสุขให้ไปถึงโลกหน้าได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วบุคคลมาเห็นโทษแห่งบาปกรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแล้วก็พยายามภาวนาขจัดมันออกไปเรื่อยๆไม่ยึดถือเอามันไว้ใความโลภโกรธหลงนี่เป็นมูลเหตุแห่งบาปกรรมอันใหญ่โตมาหาล้าน ภาวนาสอนใจให้ละมันไปเรื่อยๆไปในที่สุดก็รู้ได้ว่าความโลภโกรธหลงมันเกิดจากใจที่มายึดมั่นในขันหานี่ว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนนี่แหละเอ้าวันนี้มาสอนใจให้ปรองให้วางขันหานี้ลงไปอย่าให้มันเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนตรู้แจ้งขันห้าโดยปัญญาว่า เป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาเห็นอยู่นี่เสมอไปลนะ่ะนั่นแหละมันจะทำให้ความโลภโกรธหลงมันลดน้อยถอยเบาวางออกไปจากกิจสันดานนับว่าจะเป็นหนทางค้นทุกข์ภายในสงสารได้โดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้